ก็ธรรมะคนละประเภท์แต่พาอย่างทิ่หลักวินัยเป็นของพระร้วนๆเวลาเที่เกี่ยวกับวินัยก็ให้เป็นเรื่องของพระไปเหนื่อยรถมันครับจะติดฮ้้จะสตาร์ทไม่ติดเครื่องยท น, น, นี้มันเพียมามึงชาติวบบินตาบดในหมู่บ้านก็ไม่นึกไม่ฝันว่มันจะเป็น ออกมาพอถึงทางโค้งนาย อ, อุ่นมันยุบยับเป็นลนักษณะยุบยับแต่จะแบบเป็นแข่ ง, งยิงก็ไม่ใช่เป็นไรเป็นลนักษณะเหมือนแป่งนินดๆแล้วก็ยุบยับมันก็มันรู้อยู่ว่ามันตลอดนี่ว่างไงจากนั้นมามีลักษณะแปลกเลยค่อยๆดูกาหนดมาดูเลยเมื่อทาั้งถึงนี่ สะพมันค่อยซ่อมเพิไปถ้ามัน้ากว่านั้นก็ต้องได้ยืนมากกว่านั้นต้องนอนน่งนอนนั่นล้มเพราะมันมีอาการมาได้หลายวันแล้วคืนวันซืนนั่นนอนไม่หลับนี่มั่นคืนวานี้นอนไม่หลับเพราับมันเพิ่มเพิเพิ่มไปมันฝันไปไม่มีขอบมีเข็มนั่นไม่ใช่มันมันฝันนะ มันเป็นไปด้วยาธาตขันเนะมเมื่อคืนนี่ควหลับบ้างแต่ไม่ค่อยสนิท ด, ดีนักนะนั่นนะาโลกนี้มีอาการปแปลกๆการหลับนอนจะไม่สนิทมันจะไปด้วยด้วยกันแล้ววันนี้ก็แข็ทั้งวันเหนื่อยจนแทบจะไม่มีลม ทำเลยเทศการของเขาเราก็ทราบแต่เราก็แย่ทนเอาทนได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าทนไม่ได้กินก็ให้มาที่นี่อย่างยึ่งมาแต่กลก็เห็นใจรับผู้ดูไกล้พอผ่านได้ก็ขอผ่านไป นี่ก็ยังไม่ได้จัดอาหารอะไรไปถวายพระวัดต่างๆเพิ่งไปวัดอะไรวัดปูลังกาวัดล้องกองเราะงั้นยังไม่ได้ไปจัดอาหารยาวปลาย่างปลาแห้ ง, ปงไปทํามาต่างๆแล้วก็ตำเป็นน้ําพริกรายไรตเอไหวปะแล้วก็ทำหม้อลอยน้น ทำวัดไหนไม่มีน้ำตาลแล้วก็ให้น้ำตาลไปมปนกระสอบกระสอบทำมีแล้วรอกันไปหนึ่งคอยหนึ่งความว่างจากทุระสองสุขภาพสองอย่างนี้รอตังวะสามรางวัลฝนเช่นว่าท่านถุย ฝ้ผมชุกเขามากาก็เข้าไม่ได้หน้ามันทวนดังนั้นรอผมด้วยถ้าที่วัดกินไปได้ธรรมดาทำงานนี่ก็รอตามความว่างของเราหนึ่งสุขภาพของเรางอย่างไรเลยถายอะไรนี่ใครจะต้องการใช้สอยอะไรก็เอาจากกันไปใช้นะผมไม่ยุ่งนับเรื่องอ่องนี้เพียงรับ หัวใจคนตอนนั้นอย่างอื่นเราไม่มีึนหัวใจเราส่วนที่มันมีอยู่ในหัวใจก็คือหัวใจคนุูมิยากลาบากเราก็ทนเราเพื่อหัวใจเพราะเราเคยยินหัวใจเราเป็นยังไงมาแล้วเอาหัวใจเราออกเทียบพร้อหัวใจประชาชนทั่วๆไปี่จึงถูไทยกันไปทุกยากลาบากมันก็ถูไทยกันไปเพราะนั่นใปเท่านั้น ดเดี๋ยวนี้ปิด ย, ยังไม่ปินดนี่่เอาไปนรี่ไปปิดสร้างรับมาจะพูดธรรมะรอสักหน่อยคงไม่มามาการะดิ่งฉันรถเ ข, ข้าไ ป, ปเปิดเศรษฐมันมาตามก่อนนะเวลาโลกมันมาตามกอนนะพูดนี่ไม่ชัดคนจะไปในวันนี้มั้ง มากันหมือ่อไงที่ไปล้องไปนี่มาแล้วเหรอน่เเริ่มพูด ท่านผู้ใจาก <c oughs> จะมาจากสถานที่ใดสกุลในก็าตางไ่มาบวชเป็นพระอยู่ร่วมกันมีเจตนาเป็นธรรมด้วยกันยึงอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่ได้นิยมแบบโลกโลกที่เขาใช้กันเขาถือกัน ถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่ตั้งหลักธรรมหลักวินัยก็คือหลักของพระที่จะต้องดําเนินตามทั้งกายวาจาใจสามถวันนี้เป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อจิตใจเป็นไปตามหลักธรรมหลักพินายแล้วจะมีจํานวนมากน้อยก็อยู่ด้วยกันเป็นตาสุไม่มีอะไรที่จะทําให้ลราแค่์รักใคร ทำให้เจ้ามองภายในจิตใจเพราะเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับหมู่คณะซึ่งอยู่ร่วมกันไม่ไมีมีแต่ความผาสุกร่ว่มเเิมการจำบัญษาก็หมายถึงการอยู่เป็นที่เป็นฐานในระยะไตรามากคือสามเดือนเป็นโอกาสที่นักบวชเราผู้ปฏิบัติเรา ทั้งหลายจะได้เร่งข้อวัดปฏิบัติของตนให้เต็มที่เต็มฐานเป็นสติกำลังความสามารถต่อสู้กับสิ่งที่เป็นค่าสุดซึ่งมีอยู่ภายในใจของตนตามหลักศาสนธรรมท่านในชื่อว่ากิเลกก็คือสิ่งที่เป็นภัยหรือเป็นมารของธรรมนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนพวกนี้เป็นเจ้าของของใจเวลานี้ มีอำนาจเหมื้อใจหุ้มห่อจิตใจจนมืดมิดปิดตามองหาวันทางอันถูกต้องดีงามแทบไม่เจอเพราะสิ่งเหล่านี้เดินสวนทางกันกับธรรมจึงเรียกว่ามารของธรรมได้แก่กิเลสกิเลสมานท่านให้ชื่อแล้วผู้ปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ต้องไม่มีความอดความทนมีความภาคเพียร หนักก็เอาเบาก็ไม่ถอยต่อสู้เรื่อยไปมีสติมีปัญญาสอดสองพิจิตรพิจรารณาความเคลื่อนไหวของใจที่ออกมาจากตัวม า, บารบังคับให้แสดงระมัดระวังอยู่เสมออย่าถือเป็นอย่าถือการถือเวลาเป็นสำคัญยิ่งกว่าการรักษาการสังเกตจอดรู้ความเคลื่อนไหวของใจเป็นอันดับแรกกายวาจาเป็นอันดับต่อมา คำหนึ่งระลึกอยู่เสมอภายในตัวของเราจึงชื่อว่าเป็นนักรบรบ ก, กับสิ่งที่เป็นมานซึ่งเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าอำนาจ ค, ครอบหัวใจอยู่เวลานี้นั่นแหละเมื่อหากเกิดความอินหนาละอาใจทอดแท้อ่อนแอมาก็พึงระลึกถึงสารณะของพวกเราไม่มีสารณะใดที่จะไม่พยุง ดวงใจเราให้เป็นไปเพราะความเข้มแข็งเป็นไปเพราะความอดท น, เ ป, นป เ, เ, ดเป็นไปเพราะความเฉลียวฉลาดเป็นไปเพราะความก้าวหน้าในด้านธรรมะสาระนักทั้งสามเป็นแม่เหล็กดึงดูดจิตใจได้เป็นอย่างดีหากเกิดความท้อต้ออันแอะมาก็ให้ลึกถึงพระพุเทธเจ้าเบื้องต้นให้เราลึกถึงปฏิวัติที่ท่านดําเนินมาก่อน ความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสพระพุเทธเจ้าทรงรับก่อนผู้อื่นใดในการปฏิบัติธรรมและเป็นเจ้าของศาสนาจนมาเป็นศาสด า, าของพวกเราการสเสด็จออกทรงผนวดจากสกุลพระมหาขษัตไปเป็นคนขอทานคืออนาถาหาที่พึ่งเี่อาศัยหาปัจจัยทั้งสี่นี้ไม่ได้พอยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยความฝูงเฟือง ในร่างของกษัตริย์วันหนึ่งวันหนึ่งไปเท่านั้นต้องได้รับความลำบากมีหน้ำซ้ำบริษัทบริวารซึ่งเป็นเครื่องตังวลก็มากยิ่งกว่าคนสามัญธรรมดาเราเพราะกษัตริย์ออกบวชสมบัติของกษัตริย์มีมากน้อยเพียงไรทำไมจะไม่ห่วงใยไม่รักไม่สงวน ต้องรักสังวรอย่างยิ่งตัดขั้วหัวใจออกไปนั่นเองถึงไปได้นี่ก็เป็นความทุกข์แต่และอย่างละอย่างการเสด็จออกทรงผนวชก็เป็นความทุกข์แสนสาบเสด็จออกไปแล้วกิเลสมันไม่ได้บวชกับพระองค์ก็ต้องได้ต่อสู้กับกิเลสความห่วงใยทางบ้านเดือนภูอสสมบัติตลอดบริษัทบริวารไพรฟ้าประชาชีทั้งหลายทั่วแผ่นดินที่พระองค์เคยปกครองอยู่ ต้องเป็นความขังบนรุ่งหยิงวุ่นวายก่อควรจิตใจนะครับความชอกช้ำอยู่ตลอดจึงถือว่าต่อสู้กับความทุกข์คือกิเลสจมานี้มากมายกลายก่อนการทรงบำเพ็ญอยู่ในระยะนั้นที่อยู่ที่อาศัยใครมาสร้างมาทำํำพอให้อยู่ก็แม่ทาบอาจจะอยู่ตามําำตามผ า, าไปอย่างนั้นมากกว่าจะอยู่ตามร่มไม้ในฤดูฝนต้อง อยู่ในถ้ำเป็นน้ำมากกว่าหน้าแล้งนั้นเป็นธรรมดาที่พอจะสะแแปลงหาได้ปัจจัยเครื่องอาศัยอาหารบิณฑบาตเที่ยวขอทานเข้ามาเหมือนกําโลคขอทานเขาทั่วไปหรือนักบวชในสมัยนั้นขอทานกันทั่วไปธรรมดานี่เองไม่ได้เป็นคนขอทานพิเศษอะไรเหมือนดังพระเราที่บวชในพุทธศาสนาของพระเจ้าซึ่งคนเคารับเลื่อมใสแล้วไปบวชเขาให้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนให้เดย ความเคารพเลื่อมใสทุกแง่ทุกมุมเะตุปั จ, จัยเทวท า, านทุกชิ้นทุกอันให้มาด้วยความเชื่อความหลงใยความโปรนักพักดีต่อศัตเนาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อครูบาอาจารย์พาษเหล่านั้นจริงๆไม่ได้เหมือนคั้งพุทธการที่พระครั้งก่อนพุทธการที่พระพุทธเจ้าจงเสาะแสวงหามาสวยนั่นเลยนั่นเป็นประเภทคนขอทานธรรมดาของน้าบวชในครั้งนั้น จึงหาความสะดวกสบายไม่ได้ในปัจจัยทั้งสี่คือจีวรเครื่องนุ่งห่มก็ขัดข้องยุ่งเหยิงไปหมดขาดขาดเขินๆบินธมาศอาหารการเมืโภคก่อนตามเกิดตามมีของประเภทบ้านเมืองเขาซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งเสวยของกษัตริย์มาแต่ก่อนเลยที่อยู่ที่อาศัยใครจะมีศรัทธาพอที่จะไปสร้างให้พวกองค์อยู่ได้อย่างสะดวกสบายิรูหรา เราต้องอาศัยลงมไม้ชายเขาไปอย่างนั้นมีแต่ความลำบากลำบนแล้วยาแก้ไขแก้โรคแน่ใจว่าไม่มีอะไรติดพระองค์ไปเลยความลำบากทั้งสีน่นี้รวมอยู่แล้วพระองค์ทรงรับหมดเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ถือเป็นความกังวลวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้แต่ ความมุ่งมั่นในความเป็นศาสดาของโลกและที่จะพ้นจากทุกในการมาเป็นของพระองค์นั้นเป็นความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าสามารถติดกษัตริยพระชีพหรือพระชนได้ถนไม่ต้องสงสัยด้วยเหตุนี้จึงสรบถึงสามครั้งก็ยังไม่ถอยความทุกข์มากขนาดถึงสรบไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าไม่ฟื้นก็ต้องตายนี่คือ ประโยคพยายามและการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายด้วยเป็นมาด้วยความลำบากยากเย็นเช่นนี้แล้วแนวทางแห่งการดําเนินก็ไม่มีใครเคยบอกเคยสอนพวกผมว่าเป็นทางที่ถูกต้องถึงงามพราอที่จะได้ทรงบำเพ็ญไปด้วยความสะดวกสบายเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายที่มีแบบแผนตำหนับตำลอยและครูอาจารย์แนะนํา ส, สอนอยู่แล้วทุกวันนี้ผิดกันมากมายราฟ้ากับดิ้น นี่แหละเมื่อเกิดความทุกข์ความลำบากถ้าเกิดความท้อถอยอ่อนแอลงไปให้ระ ล, ลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่เป็นรพระอาภิดาของพวกเรายึดมาเป็นหลักใจจะมีกำลังใจต่อสู้กับมารคำว่ามารก็ได้แก่กิเลสมันดูภายในหัวใจมีกำลังมากคอยจะตกจะต่อย จะทุกบจะตีเราอยู่ตลอดเวลาพวกนี้ไม่หาโอกาสไม่หาสถานที่ไม่หาเวลามเวลาไม่หาไอเดียบทมีอยู่กับใจเผลอเมื่มอไรเป็นต่อยเมื่อนั้นเผลอเมื่มอไรเป็นบีบคั้นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงจึงไม่เคยจุดจางจากกิตใจของสัตว์โลกนี่เลยเพราะสะภาพทั้งสามนี้คือตัวกิเลสและผลคือความทุกข์ความลําบากจึงต้องเป็นไปตามๆ ก, กันกับเหตุที่มีเป็นประจําอยู่ภาณใจิตใจ เพื่อนรุ่งอย่างนี้พระธรรมก็เป็นของประเสริฐธรรมนี้ประเสริฐได้ด้วยฉันท้าวิยะกิตติมังสาฉั้นทาคือความพอใจในงานเช่นเดียวกับพอใจในผมของงานวิริยะภาพเคียนในงานนั้นให้สําเร็จรู้งร่วงไปตามความมุ่งหมายอิตะให้มีความรักใคร่ฝ่ายใจต่อหน้าที่การงานของตนอยู่ใกล้คิดสนิทกับใจรักษาใจ ทุกียาบทเว้นแต่นอนหลับเพียเท่าน้นวิมังสาได้แก่การไข้ควรวนพินิพิจนาจะทำจะพูดอะไรมากน้อยกว้างแคบขนาดไหนใกล้ไกลกี่ตา้มีสติให้มีปัญญาพินิพิจนาในเหตุผลที่ควรไม่ควรก่อนที่จะทำจะพูดเพื่อจะคิดออกมานี่ท่านสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมพวกเราทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักเป็นจริง เรียกว่าทำสนังขฉ า, ามิยึดเหล่านี้เป็น ส, ร า, สาระสางครั้งสนังขฉ า, ามิก็เหมือนกันบรรดาพระสงฆ์สาวกออกมาจากสบุญพระราชามหากษัตริย์ก็มีเศรษฐีกูดุมผีพอคาประชาชนคนธรรมดามีสับปนกันมาตั้งแต่ขั้งนั้นเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ท่านเหล่านี้ย่อมได้รับความสมบุกสมบันในการประกอบความภท่าเทียมเพราะการต่อสู้กับพิเลสเช่นเดียวกันหมดแม้จะมีความสะดวกสบายบ้างก็เป็นบ้าง รายบางองค์เท่านั้นซึ่งร้อยเนจะหาเพียงองค์เดียวก็หาได้ยากอยากจะว่าพันต่อองค์คงจะเป็นความสะดวกสบายตรัสรู้ได้เร็วเช่นชิ ป, ปาพินสุขาปฏิบัติธรรมชิ ป, ปาพิมญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วอย่างนี้จะมีจํานวนหนึ่งในร้อยโอ้ในพันส่วนมากทุกขาปฏิบัทาธันมาพิมญานั้นนักมากอุคติตัญยุผู้รู้ได้เร็วนี่มีจํานวนน้อย นี่ปจิตันยูผู้รู้ได้เร็วลองนำดับกันลงมานี่ก็มีจํานวนมากขึ้นหน่อยเนยยะนี่มีจํานวนมากมายทีเดียวต้องสั่งสอนฝึกฝนทามานหลายครั้งหลายผลแทบเป็นแทบตายถึงจะปรากฏผลขึ้นมาเหล่านี้ภาษาวกทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ผ่านมาแล้วทั้งนั้นไม่ได้ไม่ใช่สาวกที่ล้างมือเปิดอนแล้วมาสั่งสอนพวกเราเนื่อก็จะมีความทุกข์เฉพาะพวกเรานี่ทั้งนั้นเท่านั้น สาวกทั้งหลายไม่มีความทุกข์เลยอย่างนี้เป็นไปนไม่ได้ด้วยเหตุ น, นี้จึงควรดิษฐานเป็นสาธรณะบางองค์ฝ่าเท้าแตกเดินจงกรมทาความภาคเพียนนี่แหละความทุกข์ถึงฝ่าเท้าแต ก, ก, ค, พพ ค, ก, แตกคิดดูสิไม่ใช่โดนสะดุดให้ฝ่าเท้าแตกเดินไม่หยุดไม่ถอยฝ่าเท้ามันบางเพราะถูกถูกถูกไถกับพื้นดินเพราะการเดินกลับไปกลับมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเรื่องนาฏแห่งความเพียรกล้า น, นั่นแหละจนฝ่าเท้าแตก ผ่านความทุกข์เหมือนกันพระสาวกทั้งหลายผ่านความทุกข์ความทรมานมา ก, ก่อนที่จะได้ชัยชนะฆ่าทิเดศให้ชิบหายภายในจิตใจมาเป็นชั้งกังขะนังขฉ า, ามีของพวกเหล่านี้รู้สึกสมบุกสมบันมามากเราอย่ามาคิดว่าทั้งเราคนเดียวเท่านั้นที่ประกอบความภาคยัได้รับความสะดวกเออ ไ, ได้รับความทุกข์ความยากความลําบากแต่แล้วก็รู้ไม่แล้วก็ไม่รู้ได้ไง่ายๆด้วยอย่างนี้ สาวกทั้งหลายเคยเป็นมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็หกปีที่ได้รับความทุกข์ความทรมานมาเพราะความภากเพียรและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องต่างๆมีมากมายที่จใจพระองค์ได้รับความทุกข์ยึดเข้ามาเป็นหลักเกณฑ์ของจิตใจแล้วยึดเหนี่ยวตามปฏิปทาที่ท่านดำเนินมานั้นาศาสดาก็ดีพระสงฆ์สาวกก็ดีกว่าจะได้ทําทั้งแท่งขึ้นมาเป็นสิทธิมงคลหรือมหามงคลคอ ง, องใจนั้น แทบเป็นแทบตายสลบสลายเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตทางเดินอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนแบบนั้นจึงต้องน้ำเนินทุกข์ยากลําบากก็ต้องฝืนไปยึงชื่อว่าการต่อสู้ไม่ถอยหลังหากว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเลือกเฟ้นได้เป็นความสะดวกสบายแก่บรรดาสาวกและคุณรบุตุ้ดท้ายภายหลังคือบรรดาพุทธบริษัท ทั้งหลายให้ดำเนินด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่าพระองค์และสาวกทั้งหลายแล้วพระองค์จะทรงบัญญัติทรงแนะ น, นําสั่งสอนวิธีที่ง่ายที่สุดให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายแต่นี่หาทางเดินไม่ได้อย่างนั้นพ ร, พระพุทธเจ้าก็ทรงดำเนินมาอย่างนี้ทางไปแถวแถวนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่ไปยากลําบากก็ต้องไปนี้เมื่อทรงรู้ก็รู้ด้วยแบบนี้เพราะเห็นนั้นเวลาสอนก็ต้องสอนแบบนี้ พวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกต้อเหล่ากอของ อ, องค์ยึดตพระพุทธเจ้าพระธรรมผส์มาเป็นหลักใจมาเป็นเครื่องยึดเป็นก็เป็นตายก็ตายเถอะตายเพราะอำนาจกิเลสเหยียบย่ำทำลานี้เคยตายมากี่ภพกี่ชาติทุกเพราะอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำทำรานี้ทุกมาเป็นประจํำภานกิจใจยังระบาดเอาไปถึงส่วนร่างกายอีกด้วยแต่ทุกเพาราะความภาคเพียร น, นี้ยังไม่เห็นปรากฏเลยมากนักเลยให้เด่น จาทุกข์ยากขนาดไหนก็เอาสิต่อสู้กับกิเลส ต, ต้องทุกเพราะไม่มีสิ่งใดที่ เ, เหนียวแน่นแตนมั่นคงจอมเฉลียวฉลาดยิ่งกว่ากิเลสไปจึงต้องได้เป็นเจ้าอำนาจครองหัวใจของศัต์โลกทั้งสามโลกกระถาพีได้โลกที่มาศัตร์โลกที่มาเกิดนี่เพราะอำนาจของกิเลสเท่านั้นทำให้เกิดไม่มีกิเลสเสียอย่างเดียวทนั้นไม่ไม่เกิดกันเลย และไม่แก่จ็บตายไม่ได้รับความทุกข์ความระบากอันเป็นสายยาวเหยียดไปอย่างนี้เลยนีกิเลสเท่านั้นเป็นตัวฉลาดแสมคมมากที่สุดและเมื่อเป็นเช่นนั้นการต่อสู้กับกิเลสแล้วจะ ต, ต่อสู้แบบง่ๆต่อสู้แบบขี้เกียจอ่อนแอล้างมือเปอิดมันได้อย่างไรมันไม่ใช่ทางของการฆ่ากิเลสมันเป็นทางส่งเสริมหมอบราบกับกิเลส ต, ตังหา เราะฉะนั้นจึงต้องพลิกกันอยู่เสมออุบายใดที่จะเป็นไปเพื่อทำลายกิเลสได้อุบายนั้นต้องออกมาใช้วิธีการใดหนักเบามากน้อยเย่างไรที่เป็นการห้าหั่นกับกิเลสให้ขาดกระจายลงไปจากใจได้ดูลำดับแล้วนำวิธีการนั้นมาใช้น่ะทุกก็ต้องยอมรับว่าทุกเพราะทางานเพราะการต่อสู้เพราะการเข้าสงครามสงครามระหว่างกิเลส กับธรรมนี้กับกิเลสกับจิตกิเลสกับธรรมนี้เป็นสงครามที่หนักมากที่เดียวไม่มีสงครามใดในโลกจะเสมอนี้เลยแต่เวลาได้ชัยชนะแล้วไม่มีชัยชนะใดที่เหนือชัยชนะกิเลสนี้เลยเนี่ยหลักใหญ่อตรงนี้พากันตั้งใจรไิปฏิบัติอันเรื่องว่ามรรคผนิพพานมีอยู่หรือไม่มีหรือสิ้นเฉนสิ้นสมัยไปแล้วนั้น นั่นเป็นบุรุษตาฟางคนโง่เข่าเบาปัญญาคนหมดสาระคุณในตนจึงนําเอาเรื่องของกิเลสหลอกลวงนั้นมาบีบบังคับจิตใจของตนจนหากําลังใจที่จะประกอบคุณงามความดีเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมัรคผลนิพพานไม่ได้นี่เป็นคนมายาของกิเลสที่แนบสนิทที่สุดกรอมจับโลกเวลานี้แม้ที่สุดพระเราก็ถูกรกรอมมรรคผนิพพานไม่มีใครจะทําอะไรก็ทําไปเถอะ ไม่ได้เลือกเวลาวอะไรละหมดเข็มหมดสมัยไปแล้วนั่นคือคนหมดสาระกลุ่มตั้งทั้งทงัที่ยังไม่ตายก็หมดไปแล้วสาธรธรรมของพระเจ้าตรัสไว้แล้วว่าสวัสดธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบยังไงต้องชอบด้วยเหตุด้วยผลชอบตามหลักความจริงจึงเรีวยกว่าชอบพูดเล้ว่ามรรคพันธ์มีสั่งสอนเข้าเพื่อสั่งสอนเพื่อมรรคพันธ์ทำไมมรรคพานธ์จะไม่มีอกมิตริการประพฤติปฏิบัติทุกแย่ทุกมุมประพฤติปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลส ออกจากใจแล้วเพื่อเห็นนิมกุลิพลานภายในจิตใจของตนเองได้โดยแท้เนื้อทำไมจะมรุกผลนิพลานจะไม่มีมรุกผลนิพลานอยู่ที่ไหนจึงไม่มีจึงหมดเขตหมดสมัยมรุกผลนิพลานเป็นเขตเป็นสมัยเหรอมรุกผลนิพลานเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่เหรอมรุกิเลนมันเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจคนมันอยู่นี่ไม่มี คำว่าการไม่มีคําว่าสถานที่ไม่มีคําว่าียาบทกิเลสมันครอบอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจเราทีนี้การแก้กิเลสด้วยอุบายต่างๆจะไปหาเข็ดหาสมัยที่ไหนหาเ ว, เวลาที่ไหนแก้ลงที่มั น, นมืดมิดจิตตานี้ด้วยความสว่างประจ่างแย้งคือสติปัญญาฟาคันหั่นแหลกกันลงไปศรัทธาความภาคเพื่อนขันติความอดทนเป็นเครื่องสนับสนุนในการต่อสู้กับกิเลสหนุนกันลงไปหนุนกันลงไป นี่แหละชื่อว่าผู้ดําเนินเพื่อมรรคผลนิพพานเมื่อทชำระกิเลสออกหมดจนไม่มีกิเลสตัวใดตกค้างอยู่ภายในจิตใจแล้วมรรคผลนิพพานหมดไปที่ไหนและมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเพราะกิเลสผู้ปิดบังนั้นอยู่ที่ใจเมื่อถอดถอนสิ่งที่มืดมิดปิดตานั้นออกแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งก็ปรากฏขึ้นมาที่ใจดวงนั้นเช่นเดียวกับความมืดนี้มันขึ้นอยู่กับการกับสมัยเวลาเวลาที่ไหน มันมีมืดมีแก้งมันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มากี่กับกี่กันแล้วเราเปิดไฟขึ้นสิถ้าถ้าเราต้องการให้ความมืดนี้มันดับไปเพราะเปิดไฟขึ้นฉะนั้นความมืดนี้จะมาอ้างตัวเองว่าข้าพเจ้าหรือข้าได้เคยมืดมากี่กับกี่กันแล้วไม่ไม่ยอมสว่างเลยอย่างเป็นไปไม่ได้เพราะอํานาจของไฟความสว่างของไฟแพร์กำจัด แต่กระจายไปหมดเหลือแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งเท่า น, นั้นเองนี่ก็เหมือนกันอำนาจของความมืดคือกิเลสมันครอบอยู่ที่หัวใจอำนาจของความสว่างสวายคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรฉายเข้าไปที่ตรงนั้นเปิดขึ้นที่ตรงนั้นก็สว่างกระจ่างขึ้นที่ตรงนั้นแล้วมีการมีฐานที่ที่ตรงไหนสินี่นี่แหละที่ว่ามรรคผลนิพพานหมดจด ห, หมดสมัยมันก็หมดที่ใจของผู้ไม่สนใจต่อมรรคผลนิพพานนั่นแหละในขณะเดียวกันกิเลสมันยิ่ง เพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับในหัวใจดวงนั้นเราอยากเข้าใจว่าคําที่เราพูดถึงว่ามรรคนิพพานหมดเฉดหมดสมัยแล้วเราจะได้รับความสุขความสบายเป็นสิริมงคลแต่อย่างใดเลยนอกจากเป็นอัปมงคลอย่างยิ่งสําหรับหัวใจดวงนั้นคนคนนั้นเท่านั้นนี่เราจะเชื่อกิเลสหรือจะเชื่อาศาสดาผู้เคยปราบกิเลสให้อยู่ในนิ้อมือมาแล้วอันนี้เป็นหลักสําคัญเราก็ไม่ได้เคยพูดว่ากิเลสสร้างหลังกระฉามีนี่ ทำไมเราจึงไปนอกน้อมต่อมันให้มันกล่อมมาซะเพิมแล้วหลับอยู่ตลอดเวลาตั้งกับตั้งกันมาแล้วไม่รู้จักเวลาตื่นมีอย่างหรือทำท่านเตือนอยู่เสมอว่าโกนุฮาโซกิมานันโดนิจังปฏิเสติสติอันทะกออันทเกเรอันทะกาอันทะกาเรนะโอนัทธาปฏิปปิบังนัปฏิปังนกับเวสถะก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ได้รุ่มร้อนด้วยเปไฟราคาตันหามันเผาลงจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้ย่างพากัน ยิ้มย้มจ่มใสหัวเราะขึ้นเริงมันเถิงเรื่องความรุ่นความหลงรูดเนื้อดูตัวอยู่เหลือหนักทำไมมันจึงไม่เสาะแสงหาที่พึ่งนอนใจเป็นอยู่ทำไหม่นี่ทำท่านเตือนท่านโคตรนาท่านตรุกอยู่ตลอดเวลาเอาทำนี้เขาไปแก้ซิความรื่นเริงมันเถิงอันแบบยิเรียนั่นมันจะค่อยหลุดลอยไปดูลําดับนะความรื่นเริงมันเถิงในธรรมทั้งหลายจะปรากฏขึ้นซึ่งเป็นความต่างกันอยู่มากระหว่างความลื่นเรินกับยิเรีย ในกิเลสกับความวมิรุงในธรรมทั้งหลายนี่สิ่งที่กีดกันมรรคผลนิพพานไม่มีอันใดไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีวัตถุอันใดโลกธาตุทั้งสามโลกธาตุนี้ไม่มีอันใดมาเป็นเจ้าหน้าที่มากีดกันมรรคผลนิพพานได้นอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องกีดกันหรือปิดบงังมรรคผลนิพพานไม่ให้ปรากฏและจะทุกข์กับสมูทยัย ซึ่งมือในใจดวงนี้และสิ่งที่จะเปิดเผยทุกสกส ม, มุทยัยอันเป็นตั ว, ตวกิจกานปิดบางมากกุนิพพานนี่ก็ได้แก่มากนิโรธนะมากคืออะไรท่านกล่าวไว้แล้วว่ามากมัชฌิมาปฏิปทาได้ แ, แก่สมาสมาทิฏฐิสัมมาสังโปรตรุท่านสัมมาสมาธินี่มากมีองแปดท่านารวมแล้วมีแปด รวมกัแล้วกับเป็นเอมกมรสาบงขีลงในสติปัญญาอย่างเดียวนี่เป็นเครื่องกำจัดนี่เป็นเครื่องบุกเบิ์กิเลสตัวมันปิดตันมกขุนนิพานนั้นไว้ให้เปิดตัวออกมาแล้วใจกับธรรมจะฉายแสงออกมาที่ที่ตัวเองเด้วยอำนาจแห่งมัชิมาปฏิปทาแล้วเปิด ออกหมดกัมจัดออกหมดมีเท่านี้เครื่องเปิดหรือทำลายมรรคพิเรศซึ่งเป็นตัวปิดกั้นมปขุนิพพานนอกนั้นไม่มีดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่มีอํานาจวาสนาที่มาปิดกั้นมะขุนิพพานได้เลยนอกจากพิเรศอย่างเดียวเท่านั้นนั้นในขณะเดียวกันกม็มีอะไรที่จะเปิดหรือทําลาย กิเลสที่มันครอบงำมีนะไรข้อใจปิดบังมีข้อใจออกได้เหมือนมรรคหรือเหมือนธรรมเลยนี่ขึ้นอยู่กับนี้เท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่ให้เร่งกันลงที่นี่ปฏิบัติลงที่นี่กิเลสมันประกาศตังวานอยู่นี่ด้วยอำนาจวาสนาของมันเราจะสู้มันหรือไม่สู้ความโลภมันก็แสดงความโกรธก็แสดงความรักก็แสดงความชังก็แสดงความขยัอะไรแสดงอยู่ที่นี่ ความอยากประเภทต่างๆสแสดงอยู่ภายในจิตไม่ได้สแสดงอยู่กับดินฟ้าอากาศกับการนั้นสานนี้ที่นีเ่เวลาที่ไหนมันประกาศอยู่ที่ใจเพราะค่าศึกมันอยู่ที่ใจมีมากมีน้อยมันก็ประกาศสัปดาห์ขึ้นมาที่หัวใจนั่นแหละเพราะมันอยู่ที่หัวใจจึงต้องใช้ความภาคเพียรต่อสู้กันไม่ต้องฟัวตาย ตายด้วยการชำระตายด้วยการต่อสู้กับกิเลสมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่มั่นใจในตัวเองสุดท้ายก็ไม่ตายไม่เคยเห็นพระองค์ใดตายด้วยการประกอบความพักเพียรเห็นแต่กิเลสตายเท่านั้นเลยจะทุกข์ยากลาบากขนาดไหนถึงพระพุทธเจ้าก็เพียงขั้นสลบสุดท้ายกิเลสก็ตายเลยสลุไปกิเลสตายสาวก เพียงฝ่าท้าแตกเพียงจักสุแตกเป็นต้นสุดท้ายก็ท่านก็ไม่ตายนีิเลศตายต่างหากนี่เราทําไมจะมาตายเพราะความภาคเพลี่ยนมีแต่เราคนเดียวนี่หรือจะมาตายเพราะความภาพเปลี่ยนเอาให้เห็นนักปฏิบัติถ้าอยากเห็นของอิเลศภายในจิตใจนี้เวลานี้ถูกของต่าช้าเร็วสามของหาคุณค่าไม่ได้ตามหลักธรรมตามความจริงของธรรมครอบงำหัวใจอยู่อย่างนี้จงแก้ออก ด้วยความภาคเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความเข้มแข็งเมื่อแก้เได้โดยลําดับลัๆจะเห็นคุณค่าของจิตใจนี้แสดงตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกลายเป็นความดูดดื่มธรรมพรารสของธรรมตั้งแต่สมาธิธรรมคือความสงบร่้มเย็นก็ปรากฏขึ้นที่ใจปัญญาธรรมคือความแยกคาของจิตคิดในแง่ต่างๆอันเป็นเครื่องสังหารเกลียดประทินิตต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมา จนเวลาสุดท้ายกิเลสก็ราบเรียบไม่มีอะไรเหลือเพราะอํานาจของสติปัญญาจตหาความเพียรของผู้เอาหริงเอาจังของผู้กล้าเป็นกล้าตายในสงครามผู้นั้นแลเป็นผู้ที่จะได้ครองอมตะธรรมอันมิเศตภายในใจนี้ทั้งๆ ท, ที่โลกอยู่ด้วยความหิวกระหายอยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเราจะอยู่ด้วยความสำราญบานใจสม่สมําเสมอเป็นอาการิีากาจิตอการดีกธรรมเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ขณะที่ ได้รู้แจ้อองแทงตลอดในทำทั้งหลายเต็มแม่เต็ ม, ตมหน่วยเต็มน้อยเปอซ็นแล้วผู้นั้นเป็นอาการนี้กับบุคคลส่วนร่างกายถึงการแล้วมันก็แตกก็สลายเป็นไปตาธมธรรมดาของธาตุสี่ดินน้ำลงไฟซึ่งเป็นส่วนผสมไม่ผิดอะไรกับโรค ท, ทั่วไปมันแตกกระจายกันไปได้แต่จิต ด, ดวงนี้กับทาเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีคําว่าแตกไม่มีคําว่าสลายไม่มีคําว่าเกิดว่าตายต่อไปอีกไม่มีคําว่าทุกข์ยากลําบากตั้งแต่ขณะ ได้บรรลุธรรมขัน้นนี้ขั้นนี้แล้วอย่างถึงใจนี่แหละท่านว่านิพานังปลามังสุกังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือว่าสุขเลยโลกสงสารที่เคยได้รับกัณฑ์นิพานังปรามังสุนญ์ยังสิ่งที่เป็นข้าศิดต่อจิตใ จ, จมาดั้งเดิมนั้นได้สูญสิ้นไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยท่านว่าสวยยิมุติโสฟังสิไม่ได้เหมือนท่านสเสวยสุขเวทนาเราสุสเสวยสุขเวทนานี่นะ เหตการณคนในโลกคำว่าสเสวยมุติสุขันว่าคําว่าสเสวยมีมุติสุขนั้นไม่ใช่เวทนาเป็นธรรมชาติของตัวเองเป็นหลักธรรมชาติแห่งรสชาติพลั้นนี่เอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่การสถานที่ไม่มีพุทธะที่แท้จริงก็คืออันนี้เอง พระพุทธเจ้าจะไปผพานนานไปกี่พบ ก, กี่ชาติโอก้กี่ท่านกี่องค์ก็ตา่างพอรู้ธรรมชาติอันนี้ภายในกิจใจของเราดวงเดียวเท่านั้นเป็นอันเข้าใจไปหมดในบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายกี่มือกี่แสนกี่ล้านองค์ไม่สงสัยเพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันเหมือนกันนี่ไม่มีอยเราผิดแปกจากกันนักกิเต้โยวาปาไปอยู่หาความยิ่งยอยกว่ากันไม่ได้เลย นี่แหะพุทธรระที่แท้จริงธรรมะที่แค่จริงสังขารที่แท้จริงรวมกันแล้วเป็นธรรมแท่งเดียวภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยเนี่ยเอาให้จริงให้จังในเบื้องต้นแห่งการฝึกฝนอบรมเราจะบริกรมรมภาวนาคำใดก็ตามเช่นพุโทโธหรือกำหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ตามหรือจะตามด้วยพุโทโธในเวลากำหนดอนาปาสิพูดเข้าโทออกก็ได้ไม่ขัดข้องขอให้เป็นความถนัด แต่สติเป็นของสําคัญอยากแกงเนื้อเป็นตัวจนเกินไปให้ตั้งสติดูลมเข้าลมออกให้รู้อยู่ที่ลมสัมผัสเช่นดั้งจมูกเป็นต้นลมสัมผัสที่ตรงไหนมากให้ตั้งความรู้จ่อสติลงตรงนั้นไม่ต้องไปขาดผลหนักเบามากน้อยสูงต่ำหยาดละเอียดอย่างไรนอกไปจากความรู้อยู่กับลมโดยเฉพาะเฉพาะอิจเมื่อได้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่ด้วยความมีสติกับลมนั้นแล้ว จะเป็นจิตที่ค่อยสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาความสงบตัวเข้ามาของจิตก็จะเป็นเพื่อให้เราสนใจกับความอาการแห่งความสงบเข้ามานั้นอีกทีโดยมีสติอยู่กับลมสุดท้ายลมก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งปิดสงบแนวนี่เอาเพียงขั้นนี้ก่อน เราจะําหนดพุดโทโธหรือคําบริกรรมคำใดก็าตามให้มีสติติดแนบอยู่กับคําบริกรรมนั้นๆชื่อว่าผู้ภาวนาด้วยความชอบธรรมแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องสวรรค์เรื่องนักนิพพานเรื่องนรกอเวจีที่ไหนนอกเหนือไปจากงานของเราที่กําลังทําอยู่ดานั้นคือคําบริกรรมภาวนาอันนี้เป็นหลักสําคัญมากให้ตั้งใจบไปปฏิบัติ <c oughs> เวลาหลับเวลานอนก็ต้องได้ฝึกหัดตนเองตื่นก็ต้องได้ฝึกหัด ถูกทัดทุกอย่างมาบวชแล้วเอาให้จริงให้จังนิสัยที่เคยเป็นมาตามยถากรรมของกิเลสถูถ่ายไปมาเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดนั่นให้ผลักดันออกไปเอานิสัยของธรรมะนิสัยของผู้ปฏิบัติธรรมของผู้เป็นค่าฆ่าศึกต่อกิเลสนำมาใช้วันนั้นจะมีความสุขความสบายเจริญรุ่งเรืองภายในใจิตใจศาสนาจเจริญไม่จเจริญที่ไหนนะ จเจริญที่ายเสื่อมก็เสื่อมที่ายของแต่ละคนละคนจะเจริญเจริญที่นี่จเจริญที่สุดก็คือใจถึงมิมุติหรือพ้นเป็นศาสนาจเจริญที่สุดในบุคคลคนนั้นให้พากันตั้งออกตั้งใจคุยปฏิบัตินวันตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งถึงวันออกพรรษ า, าการทูดงฆวัดก็ดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วอินทบัทรับแต่ของภายนอกวัดเท่านั้น นี่ก็เคยเข้าใจเคยคยเคยปฏิบัติมาแล้วแล้วเรื่องควาวัดปฏิบตัติก็ให้ต่างองค์ต่างสนใจต่อนหน้าที่การงานของตนข้อมวัดปฏิบัติที่เป็นจิตส่วนรวมนี้ก็ให้ถือว่าเป็นจิตกรรมเป็นของตนแต่และองค์ละองค์อย่าได้อึดอาดเงยนายอย่าเอารัะเอาเปียกหมู่เพื่อนแบบมิสไโลกโลกมาใช้ความเอาละเอาเปียกหมู่เพื่อนให้หมู่เพื่อนทําแล้วเราไม่ทําก็ได้นี่เป็นเรื่องของกิเลสมันแอบกินหัวคน มันแอบเหยียบย่ำทำลายจิตใจของพระองค์นั้นลราลฉลาดเราฉลาดด้วยอำนาจของกิเลสต่างหาให้ฉลาดด้วยอำนาจของธรรมที่จะสังหารกิเลสเพราะฉะนั้นจริงต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การควาข้อวัดปฏิบัติให้มีความเข้มแข็งอดทนอยู่ด้วยกันก็ให้ต่างคนตา่างระวังตนนี่หละมาก ทำผิดถูกเพื่อดีประการใดของผู้อื่นอย่าปรมินนิชยมากยิ่งกว่าการวินิจฉัยตนเองเป็นอันดับแรกก่อนถ้าเราคอยแตจะปะเมินนิชัยคนอื่นนั่นนั่นแหละจะคอยหาเรื่องหาลาวเอาเรื่องอาลาวอันเป็นเรื่องของเกียรติเข้ามาจ่ายตลาดขายตัวเองไม่ใช่ของดีไม่ใช่สิ่งที่ถูกทางซึ่งไม่ควรจะนํามาช้าในวงของวัดในวงของพระผู้ปฏิบัติล้นวนนี่เลยนีย่ลำใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ พากันอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขต่างองค์ต่างมีเจตนาอันเดียวกันทุกยากลาบากแค่ไหนก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละทนอาหารการบริโภคตามธรรมดาแล้วมันเหลือเฟืออ ย, อย่างที่ว่านี่เพราะฉะนั้นจป็นได้ห้ามมองดูแล้วมันเหลือเฟือปมเลือประมาณเราเคยปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยเห็นอันนี้พินอกจากนั้นอาหารทางวัด เขาทํามาถวาย์อิจกล้นเหลือมท่วมจะตายแล้วแศาสนาจะเลินด้วยอาหารในคีเดตมันพ่อคูนหัวใจไม่จเจริญด้วยธรรมศาสนาจเจริญด้วยธรรมเพาะจต้องเป็นไปด้วยความกระถาตขืนขนืนบ้างสำหรับนักปฏิบัติกดอดทนทนอย่างนั้นจึงถูกต้องตามหลักธรรมมันนี้่เพียงแสดงเปลี่ยนตอนนี้ไปรู้สึกหนุย่ยอ่ะนเท่าไหร่ดีในกาย มันไปอยู่สามผงบ้านสามผงนี่แหละบ้านตรงน้อยอยู่ทางตอนออกบ้านสามผงไปทางก็ผมก็ชักลืมๆน่ะมันก็หลายปีผมเลยพักที่บ้านตรงน้อยนั่นคืนเดียววัดก็อยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านเท่าไหร่แต่มันก็สงัดเพราะบ้านเขาไม่ใหญ่โตนั่นแนหะบ้านดงน้อยนั่น เขามาตังหันมาใส่บาทท่านที่บ้านสามผมถ้าจะไม่ผิดด้วย่ามาสองวันซ้ำกันมาผมเล่าใหเพื่อนฟังว่าไงอะไรอะไรหนุ่ตกอนุิ่อย่างนั้นเหี่ยวขีไฟไม่อะไรเป็นอย่างนี้เอดวอย่างนั้นนะไม่ใช่ผมดี อยู่ไฟไหม้ธนาไหม้บ้านไม้เรือนอยู่ในบูชาพระถูปอะไรเนี่ยดูเอาเนี่ยเป็นตัวอย่างอันสาคัญมากนะเพราะว่าเวลาจิตแล้วขายจะภากจากสถานที่เช น, นั้นไปที่นั่งไปไม่ได้ต้องดับซะกอ่อนถ้าไปเข้าใจะล้วเข้ามาสองครั้งบ่ายมาวันแรกเขาไม่ทัน วันหลังมาอีกดวงนนะ่ะก็มาแล้วก็ผมยื่นมาร้วรับประกันพระรับประกันนะเอายื่นองไหนก็แล้วท่านไม่เอาท่านไม่รับแล้วองไหนก็ไม่รับตลอดเลยดวงมาสองสองเช้าติดกันนะแต่ช้าหนึ่งนี้แน่แล้วเราจำ ว, ว่าคือว่า เพราผ่านไปแล้วนั่นไม่อยู่ขนาดนั้นท่านไลยใหเอากลับมาท่านเลยรับให้อัต น, นาไพ่แล้วก็ผาหนึ่มก็รับมท่านาก็ เ, นกเห็นหัวใจนี้นยิ่องผู้ดงเขาว่านี่ใครจะไปเครื่องคา ด, ดยิ่งแตท่านจันทร์มั่น เพ่งมากเกี่ยวผ้าบระสุฆคุณถือเป็นประจำมาเลยนะเป็นประจำเพศของท่านมาเลยก็ว่าได้นะท่านคุณมารับอะไรนี่ก่อนแก่นี่นะ่ารับผมยังจําได้ผ้าอังสกผ้าป่านท่านเจ้าคุณอะไรเป็นการณะจังหวัดบุรีรัมน์บุรีท่านทํทเนาเองท่าน ท, ทําทอะไร ป่านนั้นท่านทำเองได้โยงเขาทอมาถวายท่านทําเป็นเส้นเองมาถวายท่านสองผืนผ้าป่านมาถวายต่อหมื่นท่านท่านรับแล้วท่านก็ใช้ให้ท่านขึ้นข้ามมาตลอดดังนั้นที่ท่านใช้ขหาพติจีวรนี่ผมยังไม่ปรากฏนะ จนทั่งวันท่านมานาภาพนะดูสิผมยังเคยเห็นว่าท่านนับต่อมือใครนะท่านนำเอาผ้าหงมาใช้ไม่หนมีส่วนมากเขามีแตถวายบางสกุลัทั้งนั้นนะเพราะท่านาให้บางสกุลมาเป็นประจำกอาหารนี่เขาต้องรับตอนท่านแก่ๆ แ, แต่ก่อนท่างรับแบบว่าบินกระบาะมาได้วจึงออก ใครจะไปเหมือนท่านจานันทร์มั่งไม่มีไม่มีความพุ้นกับใครทั้งนั้นจิต ด, ดวงนี้จะุ่นกับใครได้จะมีอะไรฐานะจะไปคุ้นกับใครเรื่องทั้งหมดมันโลกนี่จิตท่านเป็นธรรมทั้งแท่งทั้งดวงมันจะไปคุ้นกับใครผมยังไม่เห็นไายใด กูวาจย์ที่จะเหมือนท่านจันมันเพราะฉะนั้นเราจึงกล้าเขียนในประวัติของท่านเราเป็นที่ลงใจบางอย่างเราได้เห็นด้วยตาของเราและได้ยินด้วยหูของเราในแงที่ไม่เห็นก็มันก็เข้ากันได้กับความจริงที่เราเห็นเราได้ยินอยู่นั่นคือท่านเป็นนิสัยอย่างนี้เรื่องอย่างนั้นก็มีลักษณะอย่างนี้เข้ากันได้ไง มีครูบาอาจารย์ต้องให้ฟังไม่ได้เป็นไปด้วยเจตนาแต่เป็นไปเพราะความสับสนของผู้จํามาเพราะแก่เท่าชราไปทุกวันไปอยู่สมัยอยู่กับท่านกา็หนุ่มเวลาท่านมาหน้าภาพเห็นแล้วท่านหล่านี้ก็มีได้องค์แก่ๆ <c oughs> ความจดจําก็อาจสับสนไปได้ถึงจุด เพี่ยนไปบ้างก็ไม่มากไม่มีไม่มีเจตนาคุติมีที่พักเพียงพอกั น, น, นคุติข อ, องเรามันมีกี่หลังทั้งหมดเนี้ยผมก็ไม่เคยได้นับเนะ ก็ประแจมีที่มุงที่บางนะก็ใช้ได้เท่านั้นเป็นไรขึ้นมาพรรษามีาานะมที่มุงที่บงังเข้าพรรษาไม่กี่วันนะเดี๋ยวก็ออกพรนษานะเดี๋ยวก็เข้าพรรษาสําหรับในความรู้สึกผมเองเป็นอย่างนั้นนะไม่เห็นมีนานอเลยเดี๋ยวเข้าพัรษานะ้วเดี๋ยวออกพรรษาแนละ้ว เพราะเรามันไปยุ่งกับการสถานที่วเวลาอะไรมันถึงเหมือนคู่เดียวคู่เดียวอ่าท่านปัญญาอธิบาย ห, หมู่ก่อนฟังนึ่ง